จากความถดถอยถ้าวันนี้ไม่คืบหน้า1ก้าวพรุ่งนี้อาจต้องถอยหลังหลายก้าวความคืบหน้าเป็นเครื่องแสดงหลายสิ่งสะท้อนตัวตนที่แท้จริงได้ดีทั้งความมีใจรักทั้งความฝากักใฝ่อุตสาหะทั้งความไม่ละเลยประเมินผล ทั้งความไม่ยอมจำนวนย่ำกับที่เพียงมีความคืบหน้าอย่างเดียวก็เก็บเกี่ยวหลายคุณสมบัติเข้าตัวไม่ต้องกลัวเกิดมาเสียเที่ยวเปล่าความคืบหน้าจะมีขึ้นไม่ได้หากเป้าหมายไม่โดดเด่นมองไม่เห็นว่ารอยเท้าของก้าวนี้ ห่างจากที่หมายปลายทางเพียงใดมาไกลาจากจุดเริ่มต้นแค่ไหนแล้วเป้าหมายจึงสำคัญไม่แพ้การเอาจริงเพื่อลุกถึงเป้าหมายใครยังหาเป้าหมายไม่เจอหรือยังตั้งเป้าหมายไม่ชัดพอก็ไม่รู้ว่าตนกำลังคืบหน้าหรือคืบหลังกันแน่ เทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นความเป็นมนุษย์คือโอกาสทองมีสองตาเหมาะจะเล็งไปข้างหน้ากับสองเท้าที่ไม่เหมาะจะตั้งท่าถอยหลังแถมยังสองมือพร้อมให้คิดป่ายปีนขึ้นสูงทุกส่วนจูงใจให้ฝ่ายทยานไม่ใช่หนุนให้คืบคลานเรื่อยเปื่อยไร้ทิศ คนที่เอาแต่นั่งเท้าคางรอหวังว่าความก้าวหน้าจะทลามาหาเองคือคนที่ไม่เคยสำรวจความเป็นมนุษย์ไม่เคยขุดค้นสมบัติในตนในที่สุดจะเป็นคนคนหนึ่งที่เข้าแถวเรียงเตรียมไหลลงต่ำสู่ความเสื่อมจากศั ก, กยภาพหรือสู่ความเสื่อมจากภูมิมนุษย์